เราแผ่เมตตาทุกเช้าทุกเย็นก็ขอให้น้อมใจแผ่เมตตาอย่าได้เพียงแต่กล่าวหรือว่าว่าไปตามคนอื่นเขานะลองนึกถึงคนที่เราไม่ชอบ คนที่เราชังดูบ้างแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาไม่ต้องถึงกับแผ่เมตตากับสรรพสัตว์ก็ได้นะลองเอาเฉพาะคนที่เรามีความขุ่นข้องหมองใจหรือว่าคนที่เขาทำความทุกข์ให้กับเราถ้าเรานึกถึงคนเหล่านี้ แล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขาเนี่ยมันจะได้อ น, นิสง์มากนะการแผ่เมตตาให้กับคนที่มีบุญคุณกับเราคนที่เรารักอันนี้เนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากแผ่เมตตาให้กับคนที่เขาดีกับเราเนี่ยมันง่ายอยู่แล้ว แล้วก็สมควรทำอย่างน้อยก็เป็นการตั้งจิตปรารถนาดีตอบแทนบุญคุณของเขาแต่ว่ามันจะช่วยเราได้มากเลยถ้าเกิดว่าเราแผ่เมตตาไปถึงคนที่เขาทำไม่ดีกับเราด้วยเพราะว่าคนที่เขาทำไม่ดีกับเรา คนที่เราชังเนี่ยหรือแม้แต่ศัตรูคนเหล่านี้เนี่ยนึกถึงเขาทีไรเราก็รู้สึกเจ็บปวดเพราะมีความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นแล้วความโกรธความเกลียดนี่มันก็ไม่ใช่ดีนะมันไม่ดีกับเราเลยมัน เหมือนไฟที่เผาล่นจิตใจเราเหมือนมีดที่กรีดใจเราบางคนอาจจะแค่ควรแต่บางคนมันเหมือนมีดกรีดเข้าไปโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดกันหรือว่าเคยใกล้ชิดเพราะว่ายิ่งใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีการกระทบกระทั่งกันมากเท่านั้น หรือว่ายิ่งกระชิบกันมากเท่าไหร่ก็มีความคาดหวังสูงนั่นพอเขาไม่เป็นไปตามข้ามคาดหวังก็จะเกิดความผิดหวังได้ความผิดหวังก็กลายเป็นความโกรธแล้วความโกรธนั้นก็เผาหลนจิตใจเราให้ ล, ลองใช้โอกาสนี้เนี่ยหรือว่าโอกาสอื่นก็ได้นะ แผ่เมตตาให้กับเขาไม่ใช่แค่พูดลอยๆนะแต่ว่าลองนึกหน้าเข้าไปด้วยนึกถึงใบหน้าของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะเลยเพราะถ้าเราโ ก, กรธเกลียดเขาเนี่ยไม่อยากจะนึกถึงใบหน้าเขาเลยแต่ว่าถ้าเรานึกถึงแล้วก็แผ่ให้เขา มีความสุขปลอดพ้นจากโรคภัยปลอดพ้นจากอันตรายมันจะช่วยมากเลยนะคนแรกที่จะได้รับคนแรกที่จะได้ประโยชน์ก็คือตัวเรานะเราก็จะคลายความโกรธความเกลียดลงไป ส่วนเขานเนี่ยจะได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพลังเมตตาของเราด้วยแต่ใหม่ๆเราก็คงจะไม่มีพลังเมตต า, าแรงเท่าไหร่แต่เพียงแค่การนึกถึงศัตรูและป ร, ะ ป, ระปักษ์แล้วก็นึกถึงนึกให้เขาประสบความสุขปลอดพ้นจากความทุกข์แค่นี้ก็ช่วยได้มากแล้ว เคยแนะนำให้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูก็คือหลับตาแล้วก็จินตนาการว่าเขามานั่งอยู่ข้างหน้าเราเขาในที่นี้คือคนที่เราไม่ชอบคนที่เราโกรธเราเกลียรหรือคนที่ทำความเจ็บแค้นเจ็บช้ำน้ำใจให้กับเรา จินตนาการว่าเขามายืนเอามานั่งอยู่ข้างหน้าเราหรือจะจินตนาการว่าเขามาเยี่ยมเราที่บ้านก็ได้เขามาเยี่ยมเราที่บ้านแล้วก็มานั่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ให้ลองมองไปที่ใบหน้าของเขาจินตนาการต่อไปว่าเขากาลังยิ้มให้เรา แล้วเราก็ยิ้มให้กับเขาจินตนาการว่าเขานำเอาขนมเอาของฝากติดมือมาให้เราส่วนเราก็หาน้ำหาอาหารหาของว่างมาต้อนรับเขาค่อยๆพิจารณาไปนะ เสร็จแล้วก็ให้จินตนาการว่าเขาทักทายเราสุขสบายดีไหมเราก็ตอบไปนะด้วยความสุภาพแล้วก็ถามไต่ถามทุกสุขของเขาด้วยเช่นเดียวกัน ในทีนี้ก็ลองมองไปที่ใบหน้าของเขามองไปที่ในตาของเขาให้ทะลุถึงความดีที่เขาเคยทํากับเราหรือว่าความดีที่เขากระทากับผู้อื่นเป็นความดีที่เราก็ชื่นชม อาจจะเป็นความดีที่เขาทำกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือถ้าเป็นความดีที่เขาเคยทำกับเรานะก็ให้ลองพิจารณาให้เห็นระหวังนั้นก็ดูใจไปด้วยนะอันนี้พิจารณาต่อไปมองไปที่ในต่างเขาให้ทะลุไปจนถึงความทุกข์ที่เขาประสบอยู่หรือว่าเคยประสบก็ได้ มองก็เห็นว่าก่อนที่เขาจะเป็นอย่างทุกวันนี้เนี่ยเขาได้ผ่านความทุกข์อะไรมาบ้างอาจจะเป็นความทุกข์ในวัยเด็กหรือว่าความทุกข์ที่เขาต้องผ่านความยากลําบากปากกัดตีนถีบหรือว่าไม่มีคนรัก เป็นที่ลำกิเป็นที่เบื่อหน่ายของผู้คนพิจารณาถึงความทุกข์ในปัจจุบันของเขาว่าตอนนี้เขาประสบความทุกข์ลยังทุกอย่างไรบ้างเช่นเจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคในชีวิตครอบครัวในการทำงานลองมองต่อไปว่าเขามีความทุกข์ในอนาคต ความทุกข์ในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างหรือเขาจะต้องเจออะไรบ้างที่จะเป็นความยากลบาบากแล้วก็ดูใจของเราไปด้วยในขณะที่เราพิจารณาหรือจินตนาการถึงความทุกข์ของขเขาเหล่านั้นทีนี้เนี่ย <Yeah. S 1> นะก็ลองพิจารณาต่อไปว่าทั้งเราและเขาเนี่ย ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันไม่เขาตายก่อนเราก็ตายก่อนเขาแล้วถามตัวเองว่าเราจะพกพาความเกลียดความโกรธความชังเนี่ยไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเราหรือเปล่าเราจะเกลียดกันไปจนตายไหมเราจะโวดธกับไปจนตายไหม ลองถามใจของเราดูแล้วค่อยๆพิจารณาเสร็จแล้วก็ให้ลองจินตนาการว่าเราได้ไปเอื้อมมือสัมผัสกับเขาสัมผัสไหลเขาสัมผัสตัวเขาเรารู้สึกอย่างไรจินตนาการต่อไปว่าเราเอื้อมมือไป หรือโน้มตัวไปกอดเา้ากอดเขาด้วยความรู้สึกจริงใจใลองพิจารณาดูว่าเราลูกสึกอย่างไรในขณะนั้นในขณะที่เรากอดเขาเนี่ยเขาก็กอดเราด้วย หลังจากนั้นนี่ก็ได้เวลาที่ต่างฝ่ายต่างก็จะต้องลากลับเราพิเดินิพนพจารณาต่อบว่าเราได้นำะพาเข้าไปส่งที่หน้าบ้านหน้าประตูแล้วก็เฝ้าดูเขาลาลับผายไปอันนี้ก็ทําแบบย่อๆนะเพื่อที่จะให้พอเห็นภาพว่าได้ทําอะไรลองน่าจะทําอะไรกันดูบ้าง หลายคนเนี่ยหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ยอมรับว่าลำบากใจที่จะนึกจินตนาการเห็นหน้าเขาบางคนที่เห็นไม่ชัดเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นความต่อต้านในใจที่ไม่อยากนึกถึงคนที่เราโกรธเราเกลียดบางคนเห็นหน้าแต่ว่าไม่ไม่อยากจ้องหน้ามันจ้องหน้าไม่ได้ เพราะว่าในใจนี่ขังแค้นมากบางคนก็มองหน้าได้แต่ว่าไม่สามารถจินตนาการว่าเขายิ้มให้กับเราและยิ่งเรายิ้มให้กับเขาก็ยิ่งไม่ยิ่งทำไม่ได้แต่ก็มีหลายคนก็ทำได้นะแต่พอจะให้ไปสัมผัสไหลเข้าสัมผัสมือเขา ก็ทำได้ยากรู้สึกฝืนใจยิ่งให้ไปกอดเข้านี่มันยิ่งต่อต้านขัดขืนเขาไปใหญ่แต่ว่าก็มีหลายคนเขาได้พยายามทำดูแลเขารู้สึกว่าจิตใจมันโล่งมันเบาให้ความโกรธความเกลียดที่มีในใจนี่มันมันมันเบาไปเยอะ และพอทำทุกวันทุกวันหรือทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็สามารถที่จะชําระใจให้หายโกรธได้คนเรามักจะพูดถึงการชําระความแค้นะชําระความแค้นชําระความแค้นคือแก้แค้นนั่นเองเคิดว่าถ้าแก้แค้นแล้วความแค้นมันจะถูกชําระไปจากใจนะแต่ว่า มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าหลายคนที่ได้แก้แค้นไปจิตใจก็ไม่ได้สุขสบายเท่าไหร่ยังไม่ต้องพูดถึงระหว่างที่ยังแก้แค้นไม่ได้ก็จะขับแค้นใจร้อนรุม่มแต่ถ้าหากว่าเราลองที่จะ แผ่เมตตาหรือว่าให้กับใครเขาดูนะมันจะช่วยลดความเร่าร้อนในใจเราได้มากนะความเมตตาหรือการแผ่ปรารถนาดีเนี่ยก็เหมือนกับน้ำเย็นที่สามารถดับไฟในใจได้ใหม่ๆน้ำเย็นนั่นมันก็น้อย ไฟกองไฟนี่มันกองใหญ่มันก็ดับได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราจเจริญเมตตาภาวนานะหรือว่าแผ่เมตตาบ่อยๆไม่ใช่แต่สักแต่ว่าพูดขึ้นมา ล, ายลอยๆแต่ลองนึกจินตนาการประกอบด้วยโดยพอกับคนที่เราไม่ชอบคนที่เราชังหรือคนที่เขาผิดใจกับเรา มันจะช่วยได้มากนะแล้วคนที่เรามีเรื่องขุนเคืองใจนะหลายครั้งก็เป็นคนใกล้มีจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยสามารถจะแผ่เมตตาหรือแผ่ความปรารถนาดีให้กับสรพสัตทั้งโลกได้แต่แผ่เมตตาให้กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนบ้านไม่ได้นะ มันก็หน้าหัวนะสามารถจะแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งโลกนะแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้อาจจะเป็นพี่เป็นน้องอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบ้านทำไม่ได้และบางคนอาจจะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยซ้ำนะนะคนที่โกรธหรือเกลียดพ่อแม่นี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะ มีไม่น้อยเลยแล้วคนคนเหล่านี้นี่จะเป็นทุกข์มากเมื่อถึงวันแม่เพราะว่าใครๆก็พูดว่ารักแม่รักแม่แต่เขาเนี่ยทำใจรักแม่ไม่ได้ทำใจรักพ่อไม่ได้ด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่เช่นถูกทิ้งหรือว่าถูกทุกตี หรือว่าอาจจะผิดหวังในบางเรื่องแล้นะพอรู้สึกว่าใายๆก็รักแม่แต่ว่าฉันทําไมรักแม่ไม่ได้ฉันเป็นคนเลวหรือไงฉันเป็นคนผิดปกติหรือไงก็รู้สึกแย่กับตัวเองอีกไม่ใช่แค่รู้สึกแย่กับแม่แต่ยังรู้สึกแย่กับตัวเองด้วยมีคนที่เป็นมีความทุกข์มากในวันแม่นี่เยอะเพียงแต่เขาอาจจะไม่บอกเรา แต่พอถ้าเกิดมีใครฟังฟังเขาเขาก็สามารถจะเล่าได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้ก็คือเยียวยาจิตใจของเรานะด้วยการแผ่เมตตาด้วยการให้อภัย การให้อภัยนี่จะเรียกว่าเป็นเป็นเสมอกับยาสามัญประจำใจก็ได้เรามียาสามัญประจําบ้านแล้วแต่ว่าไม่ค่อยคิดที่จะหายาสามัญประจําใจเท่าไหร่ยาสามัญประจําใจเนี่ยมันช่วยเ ย, ออยียวยาใจช่วยสมานแผลในใจไม่ให้เจ็บปวดไม่ให้เครียดแค้นบางคนก็เจ็บปวดจากคนอื่น อาจจะไม่ใช่คนใกล้หรืออาจจะเคยเป็นคนใกล้แต่ว่าได้ทำร้ายจิตใจของเราบ้างทำร้ายร่างกายของเราบ้างทำลายทรัพย์สินของเราบ้างคนเหล่านี้ก็ก็สมควรนะที่จะได้รับการแผ่เมตตาจากเราบางทีเราก็ถามอาจจะสงสัยว่าไอ้คนคนเร็วๆ เ, เนี่ย สมควรหรือที่เราที่จะได้รับความดีจากเราการที่เราทำความดีกับใครสักคนเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาดีหรือไม่ดีนะแต่มันอยู่ที่เราว่าเราดีหรือเปล่าเราคิดว่าเราเป็นใครเราคิดว่าเราเนี่ยเราคิดว่าความดีนี่สมควรแก่เราไหม คนไม่เข้าใจว่าจะทำความดีก็ต่อเมื่อคนอื่นจะทำความดีกับใครก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายนี่เขาเป็นคนดนีนถ้าเขาเป็นคนเลวก็ไม่ควรทำดีด้วยแต่นี่เป็นการเป็นตรร ก, กะหรือเป็นเหตุผลที่ยังไม่ถูกเราทำความดีก็เพราะว่าความดีอย่างน้อยมันดีกับเราเราทำความดีเพราะว่าความดีนั้นคู่ควรกับเรา เราคิดว่าเราคู่ควรกับความชั่วไหมเราคิดว่าเราคู่ควรกับการทําลายคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเราคู่ควรกับการคิดลายต่อผู้อื่นหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเราความไม่ดีนั้นไม่คู่ควรกับเราเราก็ควรทําความดีเราจะทําความดีได้ไม่มากแต่ยังน้อยการให้อภัยเนี่ยมันก็ช่วยได้ หรือการแผ่เมตตาอย่างน้อยมันก็ช่วยรักษาใจของเราให้หายทุกข์ให้หายเจ็บปวดบางคนบอกว่าเขายังไม่รู้ไม่ไม่รับผิดเลยไม่ขอโทษไม่รู้สึกผิดเลยเราจะให้อภัยได้อย่างไรอ่าอันนี้ก็ต้องมองว่าการ การสำนึกผิดเป็นหน้าที่ของเขาส่วนการให้อภัยเป็นหน้าที่ของเราเมื่อเราให้อภัยแล้วเขาจะสำนึกผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราคือการให้อภัยเพราะว่าการให้อภัยนั้นเนี่ยมันมันดีกับเรา <c oughs> การแผแ่เมตตก็เช่นเดียวกันมันก็ดีกับเราเองส่วนคนอื่นนั้นก็ได้รับอนิสงส์เป็นลาดับถัดไป การแผ่เมตตานี้มีอนุภาพมากนะมันไม่ใช่มีอนุภาพกับผู้ผู้รับอย่างเดียวมันมีอนุภาพกับผู้ให้ด้วยบางครั้งเนี่ยแม้เราจะไม่มีใครที่เราโกรธเราเกลียดเลยแต่ว่ามันก็มีคนจำนวนมากที่มีความทุกข์การที่เราแผ่เมตตาให้กับคนที่มีความทุกข์นะก็ช่วยได้เยอะหรือว่าเวลาเรานึกถึงคนอื่น นึกถึงคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับเราเนะบางทีมันช่วยทำให้ความทุกข์ในใจเราลดน้อยลงคนเวลาคิดถึงตัวเองมากเนี่ยเราจะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรามันจะขยายใหญ่กว่าปกติ <c oughs> แต่ถ้าเรานึกถึงความทุกข์ ของผู้อื่นหรือนึกถึงคนอื่นที่ทุกข์กับเราเนี่ยความทุกข์ของเราจะเล็ ก, ล, กลงอตมาก็ชอบเล่านะถึงเรื่องของน้องโยนะน้องโยนี่เป็นเป็นเด็กเจขวบวันหนึ่งป้าก็ชวนขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนะความปฐมปรากฏว่าเกิเเเเดอุบัติเหตุรถถูกชน รถนี่พังเลยนะมอเตอร์ไซค์ป้านี่แขนหักแต่น้องโยนี่ขาเละไปข้างหนึ่งป้าร้องโอดโอยนะตลอดทางที่พาไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าน้องโยนี่ไม่ร้องเลยจนถึงห้องผ่าตัดนะน้องโยก็ไม่ร้องหมอผ่าตัดเสร็จก็เลยถามน้องโย ว, ว่าทําไมน้องโยไม่ร้องเลย ขณะที่ป้านี่ร้องโอดร้องโอยน้องโยตอบว่าผมกลัวป้าเสียใจครับเด็กเจ็ดขวบก็ตอบอย่างนี้ง่ายๆสั้นๆกลัวป้าเสียใจน้องโยนี่รู้ว่าป้านี่กำลังทุกข์นะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจทุกข์กายเพราะปวดแขเพราะขาแขนหักแต่ทุกข์ใจเพราะว่าไปทาให้หลานเนี่ยประสบเคราะกรรม ก็เลยร้องโอดร้องโอยแต่ว่าน้องโยนี่นึกถึงป้าแล้วไม่อยากเพิ่มความทุกข์ให้ก็ให้กับป้าก็เลยอดกลัน้นไม่ร้องรู้สึกเลยว่าความทุกข์ของตัวเนี่ยมันเล็กกว่าความเจ็บปวดของป้ามีคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักศึกษาอายุสนะิบเจปีหนึ่งแกเป็นโรคพุ่มพวง แล้วก็อาการนี่ลุกลามมากจนกระทั่งต้องเข้าโรงพยาบาลจะผ่าตัด ก, ก็ผ่าไม่ได้เพราะว่าเลือดนี่เสียเอาไวยวัตก็บวมมากเพื่อนอาตมานี่เป็นบาทหลวงเป็นคาทอลิกก็ไปเยี่ยมนักศึกษาคนนี้ซึ่งก็เป็นคาทอลิกด้วยพอเห็นบาทหลวงเนี่ยนักศึกษาคนนี้ก็พูดว่าทํำไมพระเจ้า ทำให้หนูเป็นอย่างนี้นะพอตัดพ่อพระเจ้าบาดหลวงท่านก็บอกว่าอันนี้พ่อไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามีอย่างนึงที่อยากจะแนะนําให้คุณทําก็คือว่าสวดมนต์ถึงพระเจ้าแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในหอเดียวกันด้วยในหอผู้ป่วยนะแล้ววันต่อมา นะบาทหลวงก็เอารูปกรรมมาให้เธอเพื่อสวดวันต่อมาก็มาเยี่ยมอีกพีหน้าตาดีขึ้นแล้วหน้าตาดีขึ้นไม่ไม่ตัดพอเธอบอกว่าได้ทำตามที่คุณพ่อแนะนำสวดมนต์ถึงพเจ้าแล้วก็สวดมนต์ให้กับเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันไปเยี่ยมได้สี่ห้าวันคุณพ่อก็ มีทุระ <c oughs> มีทุระไปต่างจังหวัดไปเป็นเดือนเลยกลับมาปรากฏว่าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเธอเสียชีวิตแล้วแต่ว่าคุณพ่อแปลกใจมากเพราะว่าใครๆในหอผู้ป่วยก็ถามถึง ประวัติของเด็กคนนี้ว่าเป็นยังไงเขาอยากรู้เพราะเขาประทับใจมากก็บอกว่าในช่วงก่อนที่เขาเธอตายเนี่ยเธอก็มาช่วยเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจบางทีก็ช่วยพาเข้าห้องน้ำช่วยตักน้ำให้ ก็ทำเล็กๆน้อยๆที่เธอทำได้ทั้งนั้ที่อาการเธอก็แย่แต่ว่าเธอก็มีน้ำใจแล้วก็ยินย้มแจ่มใสมากผู้ป่วยที่อยู่ในหอเนี่ยบอกว่าวันที่เธอตายเนี่ยเธอตายด้วยเธอตายอย่างสงบมากแล้วคุณพ่อพอได้ฟังแล้วเนี่ย ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่ได้เห็นเธอวันแรกนะเห็นเธอวันแรกเนี่ยเธอทุกทรมานมากทุกทั้งกายทุกทั้งใจแต่ว่าจากปากคําของคนไข้ที่เล่าว่าเธอไปอย่างมีความสุขไปอย่างสงบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่เวลานึกถึงความทุกข์ของผู้อื่นแล้วเนี่ย มันก็มีผลย้อนกลับมาทำให้ความทุกข์ของตัวนี่กลายเป็นเรื่องเล็กทำให้ตัวมีความสุขดันั้การแผ่เมตตาเนี่ยหรือว่าการมีน้ำใจการนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยมันมันเป็นยามันเยียวยาจิตใจของเราได้ได้ดีบางทีก็เยียวยาร่างกายด้วย เดีย๋ยวนี้มันมีทางมีวิธีการรักษาโรคจางหนึ่งนะฮะก็คือการที่น้อมใจเราลึกถึงความทุกข์ของผู้อื่นอย่างทางที่เบสเนี่ยเขจะมีก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากก็คือเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนอกจากจะทําสมาธิหรือว่าสวดมนต์สิ่งหนึ่งที่เขาที่ครูบาอาจารย์แนะนําให้ทําก็คือว่า ให้ลองจินตนาการว่าความทุกข์ของเราในขณะนี้ความเจ็บปวดของเราในขณะนี้เนี่ยมันเป็นการแบกรับเอาความทุกข์ของสรรพสัตว์มาไว้ที่ตัวเราให้ลองนึกจินตนาการว่าได้รับเอาได้ดึงดูดเอาความทุกข์ของสรรพสัตว์ในโลกนี้มาไว้ที่เราแล้วก็ส่งความปรารถนาดีหรือว่าแผ่ความสุข นะความแช่มชื่อเบิกบานพลังชีวิตของเราให้กับสรรพสัตว์ปรากฏว่ามันช่วยคนไข้ได้มากเลยคือเขาลูกสือว่าความทุกข์ของเขานี่มันมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของสรัรพสัตว์ได้ และสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือมันเป็นการบ่มเพาะหล่อเลี้ยงเมตตากรุณาขึ้นมาในใจเวลาคุเราพูดถึงความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยเมตตากรุณาในใจก็จะค่อยๆเบ่งบานนะและเมตตากรุณาเนี่ยมันก็กลับมีผลต่อจิตใจของผู้ป่วยได้มันก็แปลกนะเปิดใจน้อมรับเอาความทุกข์ของสรรพสัตว์เข้ามา แต่ว่ามันกลับกลายเป็นการเยียวยามันไม่ใช่ว่าไปรับเอาความทุกข์เข้ามาแล้วเราจะทุกข์หนักกว่าเดิมถ้ามันมีผลตรงกันข้ามก็คือว่าพอยิ่งคิดถึงความทุกข์ของสรรพสัตว์เนี่ยมันก็ทำให้เมตตากรุณาในใจงอกงามเมตตากรุณานี่แหละที่จะมาช่วยรักษาเยียวยาจิตใจแล้วก็รวมถึงร่างกายด้วย มันก็มีเคสนะคนที่มีคนก็เป็นโรคโรคติดเชื้อเ i v ไอเคสนี้ก็แปลกติดเชื้อ HIV หมอก็ตรวจแล้วไปหาเขาก็ไปปรึกษาครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำให้สวดมนต์บ้างให้ทำสมาธิด้วยแล้วก็ให้ลองพิจารณาว่าให้ความทุกข์ของเราเนี่ยเป็นความทุกข์ที่รับมาจากสรรพสัตว์ แล้วก็พร้อมที่จะรับเข้ามามากขึ้นเรียกว่าเป็นการทุกแทนยอมทุกแทนแทนสัพพสัตนันทําไปได้ไม่กี่วันปรากฏว่าอาการดีขึ้นตอนหลังไปตรวจเชือ้อปรากฏว่าเชื้อมันหายอันนี้ก็เป็นเคสซี่แปลกอาจจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในล้านก็ได้นะแต่ว่ามันก็เป็นเคสซี่อธิบายไม่ได้ แต่ก็หลายคนน่จะไม่หายแต่ว่ารู้สึกดีขึ้น <c oughs> คนเราเนี่ย <c oughs> เวลาทุกเนี่ย <c oughs> ถ้าเราทุกด้วยความรู้สึกว่าชะตากรรมเล่นงาน <c oughs> ก็จะรู้สึกทุรนทุรายทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้น <c oughs> แต่ถ้าเรารู้สึกว่าไอความทุกของเรามันมีความหมาย มันเป็นการแบกรับหรือว่าทดแทนความทุกข์ของสรรพสัตว์ความทุกข์ ม, กมันก็มีความหมายขึ้นมาพอเราทำให้ความทุกข์มันมีความหมายขึ้นมาในแง่ที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราสามารถจะยอมรับหรือว่าอดทนต่อความทุกข์ได้หรือว่าความทุกข์นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนให้ให้เกิด เมตตาขึ้นมาในใจได้นี่เราจะไปดูแคลนนะใ้เรื่องความเรื่องเมตตากรุณาเนี่ยมันมีอา น, นิสงส์มากนี่ถ้าเราใช้ให้เป็นนะทำด้วยความจริงใจมันก็จะทำให้เราเนี่ยจิตใจสงบเย็นแล้วก็ ทำให้อาผิวพรรณผ่องใสด้วยในอ น, นิสงค์ของเมตตาเนี่ยจะมีหลายประการนะนอกจากจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์แล้วเนี่ยก็ยังช่วยทําให้จิตใจสงบเย็นแล้วก็อาผิวพรรณผ่องใสสุขภาพดีมันก็ดีกับเราเองแล้วก็ดีกับผู้ที่ได้รับเมตตาจากเราด้วย อันแล้วก็เย็นนี้ก็พู่กันทนนี้กราบพระ